بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أشمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ل ن ك و ن ن من الخاسرين ر ب ن ا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذبنا ا ل اللهم أصلح لنا دينا ن الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة ت ن ا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في الخير واجعل الموت راحة لنا من كل ش ر رحمتك يا رحمن الرحيم اللهم أصلح حوال المسلمين ใน بلادنا خ ا ص ละในทุกสถานที่ยาดุลแจลาอีรุิควาขอพระเจ้าอวยพรขอพระ้าอวันนขอพะเจ้อวยนรัอพร้าอวยรขอพเจ้าอวยพรอ้าวันรีเ้าอวยรขอเ้าวรขอพะเจ้าอวยพรอร้าอวย้าอวยพรขอร้าอวเ้าอวยาขเาอวเจ้าอวยพขเาอวยขเดืาอวยพรพรเจ้อวยพรอมนะครับว่ารขาวขอพระเ้วยพพระาวยรขอระ้าอวยพรอพรเจ้าวเจ้าอ ว, วอวอเจีา ว, ย, วายใจอีกพรอ้า เพราะว่าเขามีประกาศจากสำนักจุฬาด้วยให้ดูเดือนมกราคมนะครับของต่างประเทศเองไม่ได้ลืมติดตามข่าวเดี๋ยวถ้าถ้าได้ข่าวยังไงอาจจะแจ้งให้พี่น้องทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดือนนี้เป็นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนะครับเดือนมกราอมก็คออือเดือนแรกในปีศุกร์สักาะในปี ตามเดือนจันทรคตินะครับตามปฏิทินอิสลาเป็นในจำนวนเดือนองฮาเรติเรียกว่าเล่าชูร์ฮุร์มภาษาอัลกุรอานนะครับอินั่งดต์ชูรฮุร์อินดัลลอฮิสนชฮ์รฟีิาบิลลฮิยมลักัมาวตวลอัร์มินฮาอัรบะะตุรม ละตั้งแตบอกว่าอีกดือนชั่วจำนวนเดือนนะอัลลอฮุสุบนะตะลานั้นก็คือสิบสองเดือนเราเคยได้ยินไหมครับว่าในอดีตเนี่ยหนึ่งปีมีมากกว่าสิบสองเดือนไม่เคยตั้งแต่วันที่อัลลอุุบนตะลานะครับ ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและก็แผ่นดินตั้งแต่วันแรกที่มรคลุกนะครับชั้นฟ้าและแผ่นดินจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่รู้กี่กี่ล้านปีกี่พันล้านปีมาแล้วเนี่ยเดือนการโคดเดือนเนี่ยวันและเดือนเนี่ยมันเป็นการโคจรของของดวงดาวของดวงอาทิตย์ของโลก ของสิ่งที่อรัสราสร้างขึ้นมาในจักรวาลใช่ไหมครับถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ถ้าไม่มีดวงจันทร์เราก็นับเดือนไม่ได้ดนับวันไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกที่มีดวงอาทิตย์ตั้งแต่วันแรกที่มีดวงจันทร์ตั้งแต่วันแรกที่มีโลกเดือนยังไม่เปลี่ยนยังคงสิบสองเดือนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสุภานัลล่นหรอกกี่ล้านปีมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นเองเนี่ยมันมันคิดมัน คือเราไม่รู้จะหาคําตอบได้ยังไงมันละเอียดละออนจนกระทั่งเรารับไม่ได้ถ้าถ้าจะมีคนมาบอกว่าดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเองดวงกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่มันเป๊ะๆอย่างนี้12เดือนเป๊ะ1ปีก็12เดือนเป๊ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่มันจะเกิดขึ้นเองแต่มันจะต้องเกิดมาจากการสรรสร้างของลอสุภาต่างๆในจนํานวน12เดือนเนี่ยอัสตะลาบอกว่ามิ่ฮะอัรบะตุนฮุรฺม สิองเดือนเนี่ยมีสี่เดือนที่เรียกว่าเป็นเดือนต้องห้ามคําว่าเดือนต้องห้ามหมายถึงว่าห้ามมีการฆ่าฟันมีการทําสงครามมีการต่างๆนานา น, า น, า น, นะครับจริงๆแล้วการห้ามฆ่าคนในสมัยก่อนเนี่ยถามว่านอกสี่เดือนนี้เนี่ยทําได้หรือทําไมต้องห้ามแค่สี่เดือนจริงๆแล้วการฆ่าคนอะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยเดือนไหนๆมันก็ห้ามทั้งหมด แต่ในสี่เดือนนี้ห้ามแบบสุดๆความเขาเรียกว่าความใหญ่หลวงความเมหันของบาปมันเนี่ยใหญ่กว่าในเดือนอื่นๆเพราะว่าในช่วงสี่เดือนนี้เป็นช่วงที่ว่าเขามาทำฮัจจ์เขามาทําอุหมร์ในสมัยก่อนคนอาหรับสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่าเดือนสี่เดือนที่ต้องห้ามหนจะมีสมเดือนติดต่อกันก็คือฎกอันดะซุลฮิจจัฮ์และกุมฮารรับ ส่วนอีกเดือนหนึ่งก็คือระดับเดือนระดับสามเดือนเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่ว่าเขามีการทำพัดทำอุม์รัตกันเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนคนสมัยอาหรับสมัยก่อนเนี่ยคือเวลาที่จะปล้นใครก็ปล้นเดือเด่อดเือไม่มีเหตุจูงใจอะไรแค่อยากจะปล้นปล้นเลยเห็นมีขบวนเดินทางมาเนี่ยอยากจะปล้นก็คือไปดักทางแล้วก็ปล้นฆ่ากันตรงนั้นเลยยึดยึดทรัพย์สินกันมาเลยอันนี้ เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ห้ามแสดงว่าคนจะมาทําอมรอกก็เดือดร้อนสิคนจะมาทําฮัทก็เดือดร้อนสิเพราะฉะนั้นอะไรก็เลยห้ามช่วงเดือนที่ทำฮัทําอมรอกเนี่ยห้ามนะถ้าหากว่ามีการยึดทา่าปล้นสะดมอะไรกันช่วงเดือนนี้เนี่ยบาปมันจะรุนแรงมากเพราะฉะนั้นสี่เดือนนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นเดือนต้องห้ามนะครับสุภาพบุรุษแต่พี่น้องทราบรหรือเปล่าครับว่า วันนี้เวลานี้ที่เราอยู่ในช่วงเดือนฮามัมที่ อ, ลอาลาัลลอฮฺสัลลัลลบอกว่าเป็นอัชฮุรุลฮุรุมเนี่ยเริ่มต้นสกราชใหม่มาเนี่ยรอว่าวบาัดมีข่าวที่น่าสลดใจหลายเรื่องแล้วเกินโดยเฉพาะข่าวพี่น้องของเราที่อเลสตายล่าสุดนะครับพี่น้องที่กาซาที่รัสเซหรือที่ถนวนกาซานะครับซึ่งอาจจะดูข่าวมีข่าวของเมืองไทยเองก็มีข่าวพอสมควรอาจจะ ไม่ได้มากแต่ก็พอให้ได้เห็นนะครับกำลังเดือดสุคนามอัลลอฮมีพวกสเสียชีวิตมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากมายและเกินเกิดขึ้นพร้อมๆ ก, กับปีใหม่ของเรานะปกติเวลาที่มีปีใหม่ เ, เราก็จะดีใจเราก็จะสุขใจสบายใจปีนี้หนึ่งพันสี่้อยสามสิบสี่ประชาชาติมุสลิมต้อนรับปีใหม่ด้วยนะลูกระเบิดจากพวกยนะูนอุสบินลาฮมนดาร นะครับระเบิดฟอสฟอรัสเป็นองรู้จักไหมระเบิดระเบิดฟอสฟอรัสเคยได้ยินไหมฮะระเบิดฟอสฟอรัสเป็นระเบิดที่จริงๆแล้วเขาไม่เขาไม่อนุญาตให้ใช้ในโลกนี้ระเบิดฟอสฟอรัสเนี่ยเวลาที่มันโยนลงมาหรือว่าเทลงมาเนี่ยมันจะแตกตัวแล้วก็กระจายมาเป็นเหมือนพลุนะเวลาที่เราเห็นเห็นพลุไหมฮะพลุที่เขาจุดจุดพลุแล้วก็มันออกมาเป็นเหมือนดอกไม้ไฟ แต่ระเบิดฟอสฟอรัสเนี่ยจะโยนมาจากข้างบนก็คือจบมาจากเครื่องบินเครื่องบินรบแล้วก็โยนลงมาจะเป็นแสงไฟลงมาถ้าโดนใครที่ไหนถ้าโดนเนื้อเนี่ยเนื้อจะไม่ทันทีทันใดตรงนั้นเลยจะไม่เหลืออะไรเลยนี่คือสิ่งที่อิสราเอลกลังทำอยู่นะถ้าไม่นับว่าเป็นมุสลิมหรือเป็นยูเนี่ย แ, แค่ความเป็นมนุษยธรรมเนี่ยทำลงไปได้ยังไงแล้วก็อือบอัลลอฮ เดี๋ยวนี้ตอนนี้มีการออกมาแสดงก็เรียกว่าออกมาประท้วงกันหลายที่แม้แต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเองแถวยุโรปเองที่ปารีสนะครับตามข่าวที่บอกเนี่ยก็ออกมาประท้วงกันการกระทัพกิจกรรมที่โหดร้ายความโหดร้ายที่เรายังไม่เคยเห็นว่ามีใครชนะพวกยูไนเต็โหดเที่ยมความโหดเที่ยมของยูไนเต็นี่เรายังไม่เคยเห็นใครที่มัน โหดเหี่ยมเกินนะครับมีคําพูดของฮิตเลอร์ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนฮิตเลอร์ก็คือคนที่ฆ่ายิวฆ่าล้างเผ่าพันยิวตอนที่ยิวอยู่ที่ประเทศ เ, อเยอรมันนะครับฮิตเลอร์ฆ่าหมดเลยแต่ไม่ได้ฆ่าทั้งหมดมเหลือไว้ส่วนหนึ่งนะครับไม่รู้เป็นคําพูดจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าฮิตเลอร์พูดเอาไว้ว่าฉันฆ่าล้างยิวจนหมด แต่ฉันก็เหลือเอาไว้บางส่วนเพื่ออะไรที่เหลือเอาไว้บางส่วนนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าทําไมฉันจึงฆ่ายูเพราะอะไรเพราะนิสัยของอยูเป็นยังไงของไซออนิสเป็นยังไงความโหดร้ายของไซออนิสเป็ังไงทไมฉันจึงต้องฆ่าล้างเผ่าพันุ์ยูเพราะอะไรเพื่อจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยไม่ได้ประนามไม่ได้ประนามฉันคือ เป็นความชอบธรรมของเขาอ่ะเหมือนเหมือนกับว่าจะอ้างความชอบธรรมที่ต้องฆ่ายูเพราะยิ้มันโหดร้ายจริงๆแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นความโหดร้ายของอยูน่าอัศจรรย์เป็นไรมันแต่ที่ฟรนสไตล์นะครับช่วยกันขออ้อนที่ซีเรียก็ยังไม่จบซีเรียยังลําบากอยู่ยังต้องการความช่วยเหลือถ้าสามารถจะหยิบยื่นความช่วยเหลือนะครับก็นะครั บ, นะร บ, นะรบเอาเลยนะครับแบ่งส่วนหนึ่งจากความสุขสบายของเราให้กับพี่น้องกําลังเดือดร้อน และบ้านเราเองก็มีข่าวที่น่าสลดใจมากผมเพิ่งดูข่าวเมื่อตอนเชียงวันนี้ก็คือระเบิดรถไฟนะครับเป็นเป็นอะไรที่ดูแล้ว ah ล้อก ah ็เศร้าโศลฮะทุกเวลาน่ากลัวมากนะครับรถไฟไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้มา ก, ก่อนนะมีข่าวออกมาลาข่าวเราลาโกรใส่ลาบินละนะครับช่วยกันขอด้อนวช่วงต้นเดือนต้นปีอย่างนี้จ ะ, จะเอาล้อสภาวะจัดแล้วให้ Allah อลลอส่งแก้ไขปรับปรุง พระบบ um อัลลอฮฺมะอัลลัฮ ال นะฺอาลัยอะ حوال ا ل م س ل ในทุกๆที่ในบ้านเราทุกๆสถานทรงแก้ไขปรับปรุงสภาพนะครับของเราในขณะที่พี่น้องบางส่วนของประชาชาติอิสลามกำลังได้รับความทุกข์ร้อนเราที่อยู่สุขสบายสุภาพนวลละก็สุขสบายจริงๆไม่ได้รับความทุกข์ร้อนใดๆเลยนะครับไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้ อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยเราจะต้องรับรู้ถึงความเจ็บปวดและนะครับเราเองก็ต้องปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอให้ให้มีจิตสํานึกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิสลามอยู่ตลอดเวลาเราทำดีแล้วนะครับเมื่อคืนกับเมื่อคืนวานเราก็ได้ต้อนรับคณาจารยนะ์ที่มาให้ความรู้กับเราที่จังหวัดภูเก็ตก็หวังว่าพี่น้องคงได้ไปฟังนะไปร่วมงาน ของ อ, อ, อะไรนะรักนบีนะครับที่สนามใช้เราคงได้รับความรู้ไปมากพอสมควรลำนี้นะครั บ, ะะรบที่มีสิ่งดีๆอย่างนี้ให้พวกเราได้ตักตัวก็อยู่ที่เราแล้วแหละนะครับว่าจะตักตัวแค่ไหนไม่คิดได้ยินเสียงบนบนอะไรก็ไม่รู้กนะ่อนที่จะสอนนะแบ่งสมบัติแบ่งสมบัติ ม, ตมันอยู่ที่<ช><ๆ>เราแล้วแหละนะครับว่าเราจะตัวจะตักจะตวงแค่ไหนนะครับช่องทางต่างๆที่จะทําให้เรานั้น ผักผูกพันกับอิสลามอยู่กับอิสลามมันมีเยอะนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนสุภานัลหละนะครับไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะได้รับจากตรงนี้ได้อยู่ที่อัลลอฮ์สุภาาลาจะทรงเปิดใจใครนะครับมาต่อกันดีกว่านะครับสูราา่าอับสะนะครับตั้งแต่หน้าห้าสิบเจ็ดเป็นต้นไปอายัดที่สิบเจ็ดนะครับ มาดูกันว่าอัลลอฮสุบไพรัตจะพูดอะไรกับเราอีกนะครับจะอะไรายอะไรให้เราได้เห็นอีกนะครับจะพูดถึงเราจะพูดถึงมนุษย์เอาไว้อย่างไงนะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะมากเลยทีเดียวตั้งแต่ย่าที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปนะครับิลล ذ ب ا ม ل น م ช الشيطان ร ل ر ج ي قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أ ك ف َ ر َ ه ُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ ف َ ق َ د َ ر َ ه ُ من ن ج َ ن ي خلاه أ و بفقره ثم السبيل ي س ا ر َ م ل س ب ي ل ي س ر ه ثم أماته فأقبره. ثم ثم إذا شاء أنشره. أنشر كلا لما يقض ما أمره. ف َ ا ل ْ ي َ ن ظ ُ ر ِ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ إِلَى طَعَامِهِ فيه أَنَّ إلا أهل أهل أهل. أنا صَبْبَنَا ا ل ْ م َ ا ء ص َ ب ْ ب شققنا الأرض شقق فأنبتنا فيها حبّ وعينبا وقبّ. وزيتون ونخلة وحَدائِقُ الباب وفَاكِهَةٌ و َ ب َّ แต م ละคุมวิลแอนงามคุม قتل الإنسان ما أكفره ل الله سبحانه وتعالى นะครับหลังจากที่ ได้กล่าวถึงท่านนาบีสลาลฮัลเลาะวะัลลัมได้กล่าวถึงอัลกุรอานุลกรีมว่ามันเป็นฮิดายัตมันเป็นคำสอนที่จะมาชี้ทางให้กับบุคคลทุกประเภททุกกลุ่มนะครับอัลลอฮ์สุบฮานจะอ่าลถึงแม้ว่านะ ค, คำพีของอัลลอฮ์สุบฮานะตะกลานั้น จะนำมาซึ่งสี่ดีต่างๆมากมายแต่เราก็เห็นว่ามนุษย์นะครับยังคงอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธคำสอนของละาลามากมายเหลือเกินนี่คือสิ่งที่ละาลาประกาศตรงนี้กุติแลอินแซนคำว่ากุตีแลเนี่ยถ้าภาษาอับแปลตรงๆก็คือโดนฆ่าอุกตุลกัตแลยักตุลอุกตุลก็คือฆ่า พุทิลันอ็นซันถ้าแปลเป็นภาษาไทยให้มันสะใจหน่อยก็คือให้มันตายไปซะกลายไปอย่างนั้นเลยนะครับเป็นคําเป็นคําอะไรก็เถอะเป็นคําเ อ, อขอให้มันเกิดความหายนะนะครับขอให้เกิดความเ อ, อเสียหายขอให้เกิดความพินาศนะครับนี่คือความหมายของคําว่าพุทธิลันอ็นซันนะครับพุทิลันอ็นซันู มาอักษรนะครับเป็นดูอะนะครับซึ่งคนอาหรับเนี่ยเวลาที่จะขอดูอะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะใช้คําแบบนี้นะครับก็จะมีคําอย่างเช่นอัละาลฮุมุลลอะขอัละตานั้นทําสงครามกับพวกนี้เป็นการขอดูอะให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเกิดเกิดความพินาศและหายนะนะครับอุลามาตับเซดบางคนอธิบายว่าคําว่ากุตติลาตรงนี้ก็คือการสาดแช่งลูไอนะ มนุษย์นั้นถูกสาปแช่งการสาปแช่งก็คือการให้ไกลาจากรอห์มัดของอัลลอฮ์ سبحانه แาาละ تعالى ไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับซึ่งความหมายมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับนะพูดทีละอันแท้หนูมาอัฟซาร์ว่ามันนะฮะตั้บีฮุฮะลีฮีเป็นการแสดงให้เห็นว่าสภาพของมนุษย์นั้นมันน่าสมเพชและเกินนะครับ ถ้ามันไม่น่าสมเพศเนี่ยไม่มีการขอดุอายอย่างนี้หรอกน่าสมเพศตรงไหนมาอัคราเป็นการอธิบายว่าทําไมที่อลัลลอฮฺสัลาบอกว่ากุติแ ล, ลอิลซาให้มันตายตายไปซะให้มันเสียหายไปซะให้มันพินาศไปซะเพราะมาอัคราทำไมมันช่างปฏิเสธมันกูฟอได้ขนาดนี้ ทำไมมันถึงกูฟตุตได้ขนาดนี้มนุษย์เนี่ยทําไมมันถึงปฏิเสธศรัทธาได้ขนาดนมันทรยศได้ขนาดนี้พี่น้องครับเราอย่าลืมนะครับว่ามัคคุบนโลกนี้มีแค่สองชนิดเท่านั้นที่รู้จักการกูฟ้ฟุตที่รู้จักการทรยศอัลลอฮ์สุบฮานาตะละนอกจากนั้นไม่มีใครที่กูฟ้ฟุตต่ออัลลอฮ์สองพวกที่กูฟตุตต่ออัลลอฮ์ก็คือมนุษย์กับใช้ปาน สองพวกนี้เท่านั้นชัยตอนก็คือยินนะครับที่กูฟรต่ออัลลอฮฺสุบะอุตัดละพวกที่สองก็คือมนุษย์ที่รู้จักการกูฟรตมาลายกาดไม่รู้จักกูฟรตดวงอาทิตย์ไม่รู้จักกูฟรตท้องฟ้าสรรพสิ่งทั้งหมดสรรพสัตว์ทั้งหมดไม่รู้จักกูฟรตต่ออัลลอฮฺสุบะอุตัดละคนผู้ที่รู้จักกูฟรตผู้ที่ฝากืนอัลลอฮ์ก็คือมนุษย์ ท, ท, ทั้งทที่อัลลอฮฺสุบะอุตัดละให้ทุกอย่างกับเขา นะครับมีเนื้อมาต่างๆกับเขาทั้งหมดมีบุญคุณต่างๆกับเขาเนี่ยเดีย๋ยวเราแต่ละจะนับบุญคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาแต่เราก็ยังเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ำ <ت ص في ق> ที่ไม่รู้จักตัวเองเพราะไม่รู้จักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เราเคยเรียนสุรทูอิกราะอิกราะ ا س م ิรับบิคัลลดี خلقا ที่อัลลอฮ์ تعالى บอกให้ hey, เราอ่าน สิ่งแรกที่เราจะต้องอ่านก็คือใครเป็นคนสร้างเราเรามาจากไหนเพราะมนุษย์ไม่รู้จักว่าใครเป็นผู้สร้างเขาเขามาจากไหนนี่แหละมันเกิดการพรยรฟาฟืนขึ้นมานี่แหละครับมนุษย์นั่นแหละที่เอาละแต่เราพูดแบบแบบถ้าจะพูดขวานผ่ า, า้ากพูดตรงๆเลยว่ามาอักฟระสิ่งกรแบบนี้ เ, เรียว่าสิ่งกระทตตจะถูเป็นการ บอกว่ามันสุดๆนะมนุษย์เนี่ยคุฟรสุดๆแล้วนะครับมาอักษรนะครับมาอชัดดคุฟรูนะครับทำไมมันช่างเป็นอะไรอย่างนี้นะครับทำไมมันดื้อด้านอย่างนี้ดูการอธิบายของภาษาไทยก็บอกว่ามนุษย์นั้นทั้งๆ ท, ท, ที่กลิ้งเกลือกอยู่ในความการุณาเมตตาของอัลลอ์อยู่ทุกวินาทีแต่ก็ยังกระทำตนดื้อดันต่อพระองค์และการดื้อดันนั้นก็ไม่ใช่ในเรื่องอื่นใด หากแต่ในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่สังคมของพวกตนนั่นเองในการนี้ถ้าพวกเขาจะถูกฆ่าให้ตายเสียก็ ค, คงจะสะสมกับความดื้อดันของพวกเขาเองข้อความดังกล่าวนี้เป็นการปราบให้มนุษย์สํานึกผิดนะเอาละเราพูดอย่างนี้เพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นสํานึกผิดพระพระนะครับนะครับเนี่ยในมีการอธิบายว่า قتل الإنسان وما أكفراه لنعمة الله ว่มาอาชดมูอาณาดาทูฮูเลลฮะดื้อด้านสิ่งที่ถูกต้องความถูกต้องสัจธรรมมาถึงเขาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่ยอมรับนะครับตอาว่ามาหัวในขณะที่เขาเองนี่เป็นอะไรที่ดื้อด้านเนี่ยเราเนี่ยพยายามดื้อด้านต่อรัศมุเราตะลานี้ถามตัวเองก่อนว่าเราเนี่เป็นใครทํำไมถึงดื้อด้านาขนาดนี้ใจของมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่มันแข็งกระด้างเนี่ยมันแข็งยิ่งกว่าเห็นทั้งทงที่เรานี่เกิดมาจากอะไร เกิดาจากอะไรครับอัลลอฮตขอ า, อาบอกว่าเดี๋ยว จ, จะบอกว่ามินอยชัยอินคัลกฮโอ้มนุษย์ผู้ที่ดื้อด้านเอ๋ยนะครับจากสิ่งใดเล่าที่พระองค์ทรงบังเกิดเขาที่เราจะทรยศพระองค์ที่เราจะแข่งข้อกับอัลลอ์ซึ่งเป็นพระเจ้าของเราเนี่ยเราคิดแข่งข้อกับพระองค์เนี่ยถามตัวเองก่อนว่าเรานี่เกิดมาจากอะไร มิ n น any h a y in خلقه ah. ทำให้เรานึกถึงสุระอิกรักเช่นเดียวกันนะครับที่อัสสล่าบอกว่าอิกร q, ัก باسم ربك ะ ل ذ ي خلق خلق الإنسان من على احسناء ใครฟังกันมิ่น a n in خ ل ah. ถามตัวเองด้วสิเวลาไหนที่เราจะทำบาปกับอัลลอฮ์เวลาไหนที่เราจะประกาศแข่งข้อกับอัลลอฮ์เหมือนที่เฟร์เวนเคยประกาศแข่งข้อกับพระองค์ในสุรุที่เราเรียนที่ผ่านมา ฟิลเอาเนี่ยถามว่าเป็นมนุษย์เหมือนเราไหมฟิลเอามีอะไรที่แตกต่างจากพวกเราไม่มีแล้วถามว่าฟิลเอาที่มันกล้ า, าประกาศตัวเองว่ามันเป็นพระเจ้าเนี่ยมันถูกสร้างมาจากอะไรถ้ามันไม่ได้สร้างมาจากมินุตเฟตินคาลาพาหูสร้างมาจากเชื้ออสุจิที่พระองค์ทรงบังเกิดมันขึ้นมาน้ําอสุจินี่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองอลัสอาลาเป็นคน น้เป็นผู้ที่ทรงสร้างมันมาทรงแปรมันมาจากเลือดทรงแปรมันมาจากสารอาหารที่เรากินเข้าไปน้ําอสุจินี้เขาบอกว่ามาจากส่วนที่ดีที่สุดของเลือดในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอาหารไปหรือเปล่านะครับที่บอกว่าน้อาหารที่เรากินเข้าไปหนึ่งมีผลมีต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าน้ําอสุจิเกิดมาจากส่วนที่ดีที่สุดของเลือด เรากินของเน่าเสียของเกลอนอะไรมันจะถูกขับถ่ายออกไม่หมดแต่ของที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะถูกกลั่นมาเป็นน้ําอสุจิซึ่งจากน้ําอสุจินี่แหละจะไปผสมกับเชื้อของฝ่า ย, ายผู้หญิงแล้วก็เกิดมาเป็นทารกเกิดมาเป็นมนุษย์ออกมาแล้วก็ดราหูนะเกิดมาเป็นอสุจิเสร็จแล้วอะไรอะไรก็กําโนดอีกนะครับว่า เอาเดือนนี้กี่เดือนกว่าจะมาเป็นเลือดกว่าจะมาเป็นเนื้อกว่าจะมีกระดูกกว่าจะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้ว Allah ก, กำหนดมาเสร็จสับเรียบร้อยนะอายุสองปีเป็นยังไงอายุสี่ปีเป็นยังไงอายุสิปีเป็นยังไงอายุ20ปีเป็นยังไงอายุห้าสิปียไงมีชีวิตอยู่อะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจากเราเลยแม้แต่น้อยทั้งหมดเกิดมาจากการที่ Allah Subhanahu wa Taala วางแผนมาให้เราเสร็จสั์เรียบร้อยแนละ้วแต่เราเนี่ยพอเขาวางแผนมาให้เสร็จสั์พอเขาเตรียมให้มาเสร็จสับนาริสกีเท่าไหรอายุเท่าไร่เนี่ยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะกินปลากินเนะื้อกินอะไรทั้งหมดที่เราไปเอามาจากทะเลฟดดาคัเรอหูทั้งนั้นอาวัสล่าเป็นคนนะเป็นผู้ที่กําหนดให้ให้กับเรามาทั้งหมดเลยนะแค่นี้เนี่ย ผลประโยชน์ต่างๆที่เราได้นะครับนะเขาอธิบายว่าฟาเซวะหูวะใหยะอูลิมซาลิฮินัตซีวะขลักข ล, ล, ลักูลียนได้ Allah สร้างมือมาทั้งสองมือวัริจไลน์สร้างสองเท้ามาวันไลน์ว่าซร์ล้อัลอาลาทวันฮลวัสสร้างตาสร้างหูสร้างจมูก ม, มาทั้งหมดเนี่ยถามว่าประโยชน์เกิดกับเราไห เราได้ประโยชน์จากมือพอเรามีมือเราใช้ได้เราทําอะไรได้เรามีฉมวกหายใจเรามีปากใช้กินเรามีทั้งหมดทั้งวงที่มันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเนี่ยองค์พระลาเป็นผู้กําหนดมาให้เราทั้งสิ้นแล้วทําไมเราจึงใช้ตาของเราไปไปไปแข่งข้อกับพระองค์แล้วทําไมเราใช้หูของเราไปฝ่าฝืนพระองค์แล้วทําไมเราใช้มือของเราไปอัดคาเนี่ยเหมือนที่พวกยิวกําลังทํากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิวถูกสร้างมาจากอะไร เป็นมนุษย์เหมือนเราไหมแล้วเขามีสิทธิ์อะไรที่จะมองว่าเราเนี่ยนะที่จะมงองว่าคนอื่นนอกจากยูเนี่ยเป็นวัวเป็นควายอะคิดาของอยูจำไว้เลยนะครับพี่น้องอะคิดาของอยูความเชื่อของอยูเนี่ยเขาจะเชื่อว่าทุกคนที่ไม่ใช่เชื้อสายยูคือโกยิมคาว่าโกยิมเนี่ยหมายถึงวัวควายจะฆ่าจะแกงยังไงก็ได้นั่นแหละที่เขาทาได้ตลอด ยูหนึ่งคนเทียบเท่ากับคนที่ไม่ใช่ยูเนี่ยเป็นพันพันคนนั่นแหละทำไมที่ว่าเวลาที่มียูตายแค่คนเดียวถึงโยนระเบิดใส่ปรตายเป็นตายเป็นร้อยเป็นสิบเพราะอะไรเพราะความเชื่อแบบนี้นะครับอันตรายมากนะครับความเชื่อของคนเนี่ยมันนะอันตความเชื่อแบบนนวจะเป็นอะไรมาดูสิแล้วขอเวาโรดเสา์ไรจิตสานึกของความเป็นมนุษย์ นะคุติลล์อินสันสมแลือกอัลลอฮฺ تعالى ชมพูดว่าคุติลล์อินสันให้มันตายตายเลยแม้อักฟร์มันก็ฟิรน่นมันทรยศอัลลอฮฺสุลต่านละได้อย่างสุดที่จะอธิบายและเกิดทั้งทั้งที่ตัวเองนี่มินไอยิชัยอินคาละอกเป็นมนุษย์เหมือนเราถูกสร้างมาเหมือนเราเกิดมาจากนะครับประทานมาภัยนะเกิดมาจากรอยิมของผู้หญิงเหมือนเรานะครับอเอาไว้ยวอะเหมือนกันหมดเลยแต่ทําไมถือดียังไงถึงมา นะมาแข่งข้อมาอวดตัวเองมาเป็นตะคับบรุรล ะ, ะอัลลอฮฺซุบฮฺไพร์าะแลาะอุบิลลัฮ์มุลลา้ิเพราะฉะนั้นนิสัยของมนุษย์เนี่ยอย่าเป็นนิสัยเหมือนที่อัาลลอฮาห้ามตรงนี้นะครับนะผู้ศรัทธาจะไม่มีนิสัยแบบนี้นิสัยที่ไม่มีจิตสํานึกในความเป็นมนุษย์ไม่มีศาสนาอย่างพอว่านี่ไม่มีความเป็นมนุษย์มนุษยธรรมไรจิตสํานึกความเป็นมนุษยธรรมเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับ สมาบลยสรนะครับกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วยังไม่พอนะยังบอกเส้นทางการช้าชีวิตในโลกนี้อีกนะครับอับีก็คือส่งให้ทางการดำเดนำเินชีวิตง่ายได้แก่เขาอุลามะบางท่านที่บายว่ายัสระลูยัสระลหอัตตริกอิลลขยรวัชรหมายความว่าส่งแนะนำทางไหนที่เป็นทางแห่งความดี ทางไหนที่เป็นทางความชั่วถามว่ารัศลาบอกเราไหมครับแม้แต่มนุษย์ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเนี่ยกำมลสันดานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ยังรู้จักผิดชอบชั่วดีถ้าคนคนนั้นไม่เบี่ยงเบนไม่หันเหไม่ได้รับอิทธิพลมาจากสังคมภายนอกนะครับถ้ามนุษย์คนนั้นยังบริสุทธิ์ยังไม่ได้รับอิทธิพลมาจากความเละเทะในสังคมเนี่ย ผมเชื่อแลอเกินว่ากำนันสันดานของเขาเนี่ยแยกได้ yeah, ว่าอะไรผิดอะไรชอบแต่ทุกวันนี้นะครับที่เราเห็นว่าคนมันทำผิดกันเนี่ย ท, ทั้งทั้ที่รู้ว่าผิดเนี่ยแต่ยังทำผิดกันอยู่นี่เป็นเพราะอะไรทางที่ผิดชัดๆทางที่ให้โทษชัดๆเนี่ยมนุษย์ยังเลือกที่จะทำใช่ไหมครับไม่มีอะไรในโลกนี้ที่อิสลามบอกว่าห้ามทำ นอกจากว่ามันจะต้องมีพิษภัยมันจะต้องเป็นภัยมันจะต้องให้ผลเสียถ้าหากไม่ผลเสียกับตัวเองก็จะต้องเป็นผลเสียกับคนอื่นไม่มีในอิสลามไม่มีอะไรที่อิสลามห้ามนอกจากามันจะต้องเป็นพิษเป็นภัยแน่นอนไม่ไมหามอะไรไม่มีอะไรในอิสลามที่อิสลามบอกว่าทาเถอะกรุณาทาเถอะไม่ว่าจะเป็นวาจิบหรือสุนัต นอกจากว่าสิ่งนั้นจะต้องให้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นให้ประโยชน์กับตัวเองหรือให้ประโยชน์กับคนอื่นก็ทาราบอกหมดครับแล้วไอ้คนที่ทำผิดทำชั่วเดี๋ยวบางทีมันก็รู้อยู่แก่ใจนะทำผิดแบบรู้ตัวสุบฮานัลลอฮ์เราโทษคนอื่นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นวันที่เราจะไปรับโทษต่ตอหนอัลล์ุบฮานะตะแลาเนี่ยเราจะยอมรับทุกอย่าง มนุษย e <t os> ์จะยอมรับพฤติกรรมที่ตัวเองทำทุกอย่างวมมาออลลันุววคิกูหต่าเราไม่ได้อะธรรต่อมนุษย์วันที่เราจะต้องเข้านรกนะอุบิลลัฮิมิแนลิกอัลลอฮฺจะถามว่าเราเราเนี่ยอะธรรมต่อเจ้าใช่ไหมไม่มีครับคําตอบไม่มีว่าอัลลอฮฺอะธรรมประาเพราะทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮฺบอกหมดแล้วกินไอ้นี้เดี๋ยวปวดทองนะ กินไอนี่เดี๋ยวเสียสตินะนะถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวเป็นโรคนะบอกหมดครับห้ามห้ามถ้าทําอย่างนี้จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองนะถ้าทําอย่างนี้ไม่มีอะไรคําสอนของอิสลามทั้งหมดนี่ต้องการที่จะมาปกป้องไม่ให้มนุษย์เกิดทิพย์ภัยต่อตัวเองห้าเป้าประสงค์หลักที่เราเรียกว่ามักอสิดุชาริอะ สามห้าอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทุกเพศทุกวัยห้าอย่างก็คือหนึ่งชัยอัของอิสลามเนี่ยมาเพื่อปกป้องให้อ่ะหนึ่งปกป้องอัลกัดะของเราปกป้องศาสนาของเราปกป้องความเชื่อของเราไม่ให้มันเบี่ยงเบนเรออือว่าให้ฟูดดิ้ปกป้องศาสนาไม่ให้มีศาสนาที่มันไม่ไ ม, ไม่ให้มีความเชื่อที่มันทําลายเกียรติของเราแต่เวลาที่มนุษย์เนี่ยไป นะักกราบไหว้มักคารพด้วยกันเองเนี่ยเราเหลืออะไรเอย่ยไม่มีอะไรแล้วที่มันเป็นเกียรติของมนุษย์มนุษย์จะต้องเคารพพักดีต่อพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้ามนุษย์เคารพพักดีกราบไหว้บูชามักลารด้วยกันเองไหนหลักเกียรติของเราไม่มเราทุกคนเท่าเทียมกันเพราะเราต่างก็งเป็นมักลกุกซึ่งกันและกันไม่มีนี่คือให้ฝุดีอัคีดให้ฝุดนัสการปกป้องชีวิต ทำไมอิสลามบอกว่าคนที่ฆ่าจะต้องโดนประหารชีวิตนะคนที่ทำร้ายคนอื่นจะต้องโดนลงโทษอย่างนั้นเพื่อปกป้องชีวิตไม่ให้เกิดการฆาตกรรมกันเกิดอาชญากรรมในสังคมคำสอนของอิสลามให้รูอะไรอีกใหุ้ลม่ปกป้องทรัพย์สินของเราทรัพย์สินนี่มันเกี่ยวข้องกับเราไหมปกป้องทรัพย์สินก็คือห้ามไม่ให้มี riba ห้ามไม่ให้มีร i บาห้าไ ม, มาาไม่มีการลักขโมยห้ามไม่มี ปกป้องทรัพย์สินนะครับอันที่สี่อะไรนะฮัฟซุอัลอาบหรือฮัฟซุนนัสเซนะปกป้องเกียรติห้ามซีนานี่ ป, ปกป้องอะไรปกป้องไม่ให้เกิดภาวะที่มันเละเทะเละตุ่มไม่รู้ลูกใครหลานใครนะครับสมมุตินะครับว่ามีการซีนา ย, ยอมให้มีการซีนา ย, ยอมให้มีการผิดประเวณีเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นถูกต้องตามกฎหมายหรือถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีลองคิดดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้อแยกไม่ออกว่เป็นลูกใครเหมือนคนอารับสมัยก่อนคนอารับสมัยก่อนเนียเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีสามีหลายคนเนี่ยเวลาที่เกิดลูกขึ้นมาเนี่ยเขาทายัางไง ร, รู้ไหมอยากจะรู้ว่าสมัยก่อนคงไม่มีการตรวจดีเอ็นเอทําไม่ได้นะเอาง่ายๆเลยเอาผู้ชายที่เคยนอนด้วยกันเนี่ยมาเรียงก่อนหน้าแล้วเลือกว่าจะเอาคนไหนถ้าผู้หญิงคนนั้นชี้ไปที่คนนั้นเอานั่นแหละพ่อของลูกสับสนไหมครับ เพราะฉะนั้นอิสลามก็เลยห้ามเรื่องพวกนี้ยอมรับไม่ได้คุณจะทําก็ทําไปแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดต้องห้ามเพราะต้องการที่จะปกป้องอัลอฮ์เกียรติปกป้องอันเนสเซอร์ันชาติเชื้อตระกูลไม่ให้มันสับสนมุ่นวายกันไปหมดอันสุดท้ายฮห้ฟุลอากัปกป้องสติปัญญาห้ามเล่าเพราะอะไรห้ามสิ่งมืนเมาเพราะอะไรห้ามสิ่งเสพติดเพราะอะไรที่น้องก็เห็น คนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทั้งหมดสมองเสียหมดเลยไม่มีใครที่สติดีสักหนึ่งสิ่งเสพติดเล็กๆนี่ไม่มีครับเอาละเอาเอาตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นตามสือ่อพวกยาวบุงยาบาทสุดภ้านั่นลอหนึ่งพันสี่รอยกว่า 1> 1, วปีมาแล้วที่มีธรรนมนูนฉบับนี้มาให้กับมนุษย์มีคนกี่ ค, คนที่คิดจะใช้ธรรมนุนอย่างนี้ให้มันเกิดสันติสุขในชีวิตของครับลองคิดดูสิไป้ว พันสี่ร้กว่าปีมาแล้วอิสลามอยู่ทางหนึ่งมนุษย์อยู่ทางหนึ่งสภาพที่เราเห็นมันก็เลยเป็นอย่างนี้สภาพโลกที่เราเห็นมันก็เป็นอย่างนี้โลกที่มันเห็นนะสังคมที่เราเห็นมันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะคนไม่เอาอิสลามไม่เอาคําสอนของพระผู้เป็นเจ้ามาใช้ ท, ทั้งทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าซุมม um ัซซีลายัตซับถ้าใครตามคําสั่งของอัลลอฮ์นะง่า ย, ยไม่มีอะไรที่ลําบากเลย อินฮาน ด, ดีนยุสร น, นท่นานนบีสลุลต่านบอกว่าแท้จริงแล้วาศาสนานี้เป็นสิ่งที่ง่ายได้ถ้าคุณรับคําสอนของละตอลามมาใช้บางทีมันอาจจะโดนหลอกนะชาตอนมาหลอกเราอถ้าเป็นมุสลิมเคร่งาศาสนาเนี่ยลำบากกินนู่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้จะกินดอกเบี้ยก็ไม่ได้ยากจนขุนแค้นนะลำบากและเกินเป็นมุสลิมเนี่ยชายตอนมาหลอกแล้วทั้งที่ อินเนฮาจะดีนยุสรนใครก็ตามผมก็ลาบอกเองุ ม, มัชบีลยายาศรถทำให้มันง่ายอิสลามนี่ง่ายมาก่ๆสบายนะครับอยู่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตผมชอบคํานี้เลยเกิด น, นะนักวิชาการบางคนบอกว่าคนที่เอาอิสลามมาใช้ในชีวิตเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตแบบมีศิลปะมีศิลปะยังไงแทนที่คุณสมมตินะ จะกินไก่เนี่ยแทนที่จะไปฉีกเอาไก่มาตัวนั้นักคอแล้วก็กัดกินเลือดอย่างนั้นเนี่ยดูเลยมันหน้าหดร้ายนะต้องมีศิลปะในการกินไก่ต้องเชื่อต้องบิสมิลละให้มันงดงามแล้วมีต้องรับให้คมนะครับไก่มันจะได้ตายเร็วๆ เ, เนื้อนานเลือดมันจะได้ออกให้หมดแล้วต้องทำความสะอาดให้มันสะอาดเห็นไหเป็นผู้ดีนะคนเป็นมุสลิมไม่เป็นผู้ดี แทนที่คุณจะอะไรเวลาจะเข้าห้องน้ํานะครับจะฉี่ที่จะฉีทะฉ่ที่ไหนจะปัสสาวะที่ไหนจะราดยังไงจะยืนฉี่จะนั่งฉี่แล้วแต่คุณจะไปอิสลามสอนว่านั้นจะต้องปกปิดนะห้ามหันไปทางแก๊บลัดไม่หันผูกไปทางไหนมีมีศิละปะหมดทุกอย่างเลยเป็นความงดงามไม่สร้างไปให้เราไม่ออกพอเราไม่ได้ใช้อิสลามชีวิตของเรามันก็เลยเป็นเหมือนวัฒท่าธนทำของครับเราจะแก้ผ้าตรงไหนก็แก้ได้ จะให้ใครเห็นก็เอาเลยจะโชว์ให้ใครดูก็โชว์เลยอย่างนี้เลยครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีตัวอย่างแล้วสื่อที่มันอยู่ในสังคมระบบปัจจุบันเนี่ยสื่อมันมั น, ม, นมันโชว์แต่ของเขาเราก็าเลยเอาของเขามาทั้งหมดเลยเอาเวลาที่เราเห็นเขาตัดผมแบบลวดลงลวดลายเป็นมังกรเป็นหัวเป็นมา้าเป็นอะไรเอามันเหมือนเขากันหมดทุกอย่าง อ๋อเวลาที่เขาใส่เสื้อมีอะไรได้เลยล่ละรูปผีรูปปีศาจรูปแด็กคลา่ารูปอะไรรูปอแวมพายเดี๋ยวนี้เขามีโรคที่อเมริกานะไม่อยากผมไม่อยากจะเชื่อฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อระดับมหาวิทยาลัยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนี่กําลังทําวิจัยเรื่องแวมไพายจะครองโลกมันน่าตลกไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ สภาพเราหรอครับนี่พอเราอ่านอายะห์พวกนี้น่เราเห็นภาพเลยว่าเมื่ออัลจริงๆนะครับคนที่ไม่มีอิสลามคนที่ไม่หันกลับมาหาอิสลามเนี่ยคือมันยิ่งกว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ศัพท์ที่ผมพูดนะเป็นสัท์ของอัลกุรอานที่าาา อ, อ, นะอัลลอฮ์ตะลาบอกว่าอะไรนะอ่าอัลลอฮฺอัลกุรอานในสุร่าอัลอาอ์ฟที่อัลลอฮ์ตะลาบอกว่าอะไรนะ มันแ ا ะว่าเ ا ر จาร์เราไ ثير มันจินน์และอินซ์ล้มกลุ่มแล้วจะถูกนั ها ล้วมันฮนะสุดท้ายแล้วแต่เราบอกว่าุล่า ك ิกะ ا ืออัคุณฟ้นั้นเหมือนกับสัตว์บา ه ห ยิ่งกว่าสัตว์มนครับมนุษย์ถ้ามันดีนี่มันดีกว่ามล aiskat ผมบอกแล้วดีกว่ามล aiskat มลต้องสุ j ู d ให้กับมนุษย์นะิกลลิลมลดูลีอาดัม l a h สั่งให้มล k สุให้กับอาดัมากดครมนบีอาดัมมนุษย์นี่ถ้ามันมีเกียรติมันมีเกียรติสูงมล a แต่เวลาที่มันตกต่ำเนี่ยสัตว์ยังเทียบไม่ได้ روى ا ي ل ن ب ي ن سورة الشعر ألم نشرح لك ص د ر ة و أو... آ مشي هي... والتين والزيتون، والتي الله تعالى بوقا. والتين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. ك ي م وما تمنع. رحب شان لون يف... سان كي. رحب آيات الدعاء لونه هدي. الله تعالى بوقا. ثم السبيل ا ل ص ر الله أكبر. เล้วยังกูฟอร์ดอีกว่าตลาทําให้ง่ายทุกอย่างแค่เราทําตามพระองค์เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยสบายทั้งโลกนี้แล้วก็โลกเนี่ยแต่เราเนี่ชอบสปาฝื้นนะเราเนี่ยเป็นนะเช่าตลาดวากาナルเอนซานแกฟูรมนุษย์เนี่เป็นพวกที่ชอบนอกกรอกชอบแหกกฎล้วนะกฎมีเอาไว้แหกเขา บ, บอกว่าจะกฎเนี่ยมีเอาไว้แหกกติกามีเอาไว้มีเอาไว้ให้คนมันอัลกุรอร์ฮ์นะครับอัลาาลอฮ์ หลังจากนั้ น, นละตอลลาก็บอกอีกว่าซุมอะมาต์หูาฟะอักระ um ah ยังเตือนอยู่นะครับไอ้ไอ้พวกที่จะฟาเฟืนอัลลอฮ์ไอ้พวกที่จะแข่งข้อกับอัลลอฮ์สุภาละถามว่าคนพวกนี้จะมีชีวิตอยู่กี่ปีไม่ตายเรอซุมมอะมาตู รัสซาราบอแล้วพระองค์ก็จะทำให้เขาตายเฟซเอาตายไหมฮะฮามานตายไหมกอรูณตายไหมไอ้พวกที่ประกาศตัวเองว่าจะสู้กับอัลลอฮ์เนี่ยตายหมดทุกคนคนระับไม่มีใครไม่ตายแล้วยังกล้านะยังยังไม่ยอมอบบุระฮับตายไหมอับบุญยานตายไห ม, ต า, มตายทุกคนไม่มีใครที่ไม่มีหน้าที่มีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนอิลล่าฮะอิลาอลามะ ثم أماته فأكبره لا أ ل ้ ت هم كونا كوبين ا ل ل ه ล لا إله إلا الله แล้วตายของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ตายแบบตายแบบสัตว์ทั่วไปนะ Allah ตะลานสอนให้มนุษย์รู้จักการฝังศพอันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างหนึ่งของมนุษย์ด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าตายแบบคนเนี่ยถ้าตายแบบสัตว์เนี่ยมันตายแบบวัวแบบไายตายแบบไก่แบบ ไปทิ้งข้างถนนเสียนะครับแต่นี่มนุษย์ไม่รู้จักการฝังสศพวิธีการไม่ให้นะต้องฝังให้ลึกต้องฝังให้อะไรไม่ให้นะสัตว์มาคุยมาอะไรเนี่ยลัทธิสอนให้หมดเลยมันะเป็นการให้เกียรติถ้าท่านเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณไม่มีแล้วออกไปจากร่างแล้วเนี่ยก็ยังต้องฝังร่างให้ดีมันลัทธิสอนเราอย่างนั้นนะครับซุมมาอิยาชะอัลชาห <c oughs> <c oughs> และเมื่อพระองค์ต้องการ เมื่อพระองค์ต้องการภายหลังเมื่อพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็ทรงให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพสํานึกให้ดีนะครับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งกันละและมายกฏมาอามอร์ภาษาไทยเขาแปลว่าเป็นความจรงิงเขายังไม่ได้ปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เขาพี่น้องครับ อ, อันดับขันกาอธิบายก็การลาตรงนี้เนี่ยเราเคยเรียนว่ามันเป็นคำเขาเรียกว่าอะไรนะต้องการปรามต้องการแตเพิดกันละเป็นคํานตะเพิ่ดรับลักษณะเป็นคําตะเพิดแต่ตรงนี้เนี่ยกัรลาตรงนี้เนี่ยมีการอธิบายว่าแบ่งเป็นนะ บ, บางคนก็บอกว่าเป็นการตะเพิ่ดเพื่อให้มนุษย์สํานึกจริงๆกันละหรือเป็นการตอกย้ำํำนะความหมายที่สองก็คือเป็นการตอกย้ํา แปลอธิบายก็คือฮักกันนะครับจริงๆมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือลิมเยกดีมาอัมอร์ยังไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาที่อัละะลอลาสั่งอย่างสมบูรณ์พี่น้องครับเราทุกวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไระภาษาบาลายูว่ากเดเบนะครับรู้สึก รู้สึกอะไรอ่ะแด๊แดบบ๊นี่นรู้สึกว่าเท่และเกินรู้สึกว่าอะไรนะรู้สึกว่าอะไรอะที่มันอะไรอะบังรริมรู้สึกว่าเป็นนักเลงใช่ไหมครับเราอยู่ทุกวันนี้รู้สึกว่าเป็นนักเล ง, ท, งทั้งที่ไม่สมควรจะคิดแบบนี้เลยเราหายใจก็ไม่ใช่ของเราตาก็ไม่ใช่ของเรามือก็ไม่ไม่ถึงว่า ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเราอ่ะจมูกโอโหังจงมูกเนี่ยเอาแต่เราจะเอาไปเมื่อไหร่ก็ได้ชีวิตเอตาแต่เราจะเอาไปเมื่อไหรก็ได้แต่เราก็ยังทําตัวเป็นนักเปลงละหมาดซ้ายๆบางคนก็ไม่ละหมาดเลยนะครับยังทําตัวล้อวักบังทั้งๆ ท, ที่มาจากน้าํอาอสุจิอันตำํำต้อยไร้เกียร์นะครับคนที่ทําดีที่สุดในโลกนี้สมมุตินะเขาใช้ชีวิตของเขาทั้งชีวิตเนี่ย สมมุตินะซึ่งคงคงจะหาไม่ได้ทั้งชีวิตของเขายู่สมมติหกสิบสามปีไม่เคยทรยยศอัลลอฮ์สุาตัลสักครั้งเดียวถามว่าเขาทำหน้าที่ในการเป็นมหาลัตะลเสร็จสมบูรณ์ร0อยเป็ไม่มีทางนี่คือความหมายของอายัดนี้กัลลัลละมายักมาอัมรถึงแม้ว่าเราจะทำมากน้อยแค่ไหนมันก็ยังไม่ไม่ครบ ไม่ไม่เต็มที่ที่อวาาสอาาัตลา h ให้กับเรามหรอกแคอตาแค่ดวงเดียวเนี่ยตาข้างเดียวอย่าว่าสองข้างนะตาข้างเดียวนี่พี่น้องคิดลองคิดตีราคาดูซิว่ามันกี่บาทถ้าพี่น้องคิดว่าตาข้างนี้เนี่ยมีราคาสิบล้านผมก็ว่ายังไม่มีใครขายออกสิบล้านสิบล้านไม่มีใครขายแน่นอนตาข้างข้างเดียวไม่มีใครขายสิบล้านร้อยล้านก็คงไม่ขายนะครับ ถ้าตาของเราที่มีราคาสิบล้านสิบล้านเนี่ยพี่น้องคิดว่าต้องใช้เวลากี่ปีในการละหมาดขอบคุณรอบของเร า, า, า, ตาแต่ละตาข้างเดียวแล้วตาสองข้างอ่ะจะหมูกที่มันเรียวๆหูที่มันมีอย่างเงี้ยมือที่มันนิ้วที่เราสามารถขยับได้ฮะท้องที่มันพี่น้องคิดว่าทั้งหมดร่างกายของเราลองตีราคาดูสิว่ามันจะเท่าไหร่ แล้วเราต้องใช้เวลาเท่าไหรในการขอบคุณอัลลอฮฺสุภาของเรานี่คือสัจธรรมที่เราจะต้องนีจิตสำนึกตรงนี้นะใครที่ฟังอายัดนี้แล้วเนี่ ย, ยังไม่มีความสำนึกเนี่ยไม่รู้จะพูดแล้วพูดได้คำเดียวมาอะควะพูดได้คำนี้คำเดียวแล้วเราไม่มีสิทธิ์ใ้ราไ ม, มอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกนะครับคนที่กาลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความ ความหลงไหลความสีวิไลความหลงลืมเนี่ยต้องบอกให้เขารู้ว่าเขาเป็นใครอันนี้คือหน้าที่ของอัลกุรอาน อ, อันนี้คือภารกิจเรเรียนทําไมเรียนมาอาไนั่กันนะอาจารย์ทำไมต้องพูดต้องย้ำกันเรื่องนี้พี่น้องครับอันนี้แหละที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเดินไปได้ถ้าเราไม่ชัดเจนตั้งแต่วินาทีแรกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเราเป็นอะไรเราจะไปไหนเนี่ยเราเดินไปข้างหน้าไม่ถูก เพราะฉะนั้นนี่คือสัจธรรมที่ Allah Taala าาบอกว่าะอ่าอิิรับอิสลามต้องรู้จักอล l l a h ผู้ทรงสร้างเรานะครับและต้องรู้จักว่าเราเนี่ยเกิดมาจากอะไรไปไหนนะครับแล้วเราก็จะปฏิบัติพระพุทธเจ้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ<ม>อย่าได<ม>้อ้วอวดแ ม, ม้แต่พวกเรากันเองในโลกนี้มีประชากรอยู่ปัจจุบันนี้ก็บอกว่าประชากรมีอยู่ประมาณห้าพันถึหกพันล้านคน เราฮาลัมนะครับว่าจำนวนจริงๆเท่าไหร่ 5,000-6,000 ล้านคนเนี่ยพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าคนที่ได้รับอิดายัตให้เป็นมุสลิมเท่าไร่ 1,500 ล้านคนยังไม่ถึงครึ่งใน 1,500 ล้านคนเนี่ยถามว่าละหมาดครบทุกคนไหมอกคเคา์ตรงเหมือนกับอกคเคา์ของท่านนาบีสลุลตัลลัม์หมดทุกคนไหมมีทั้งชีอะห์มีทั้งดูรูส มีทั้งรอฟิ ضة มีทั้งมุขตาซิลห์มีทั้งอิบาดิยาห์มีทั้งขวาริชมีไม่รู้ตั้งกี่กลุ่มที่เรียกว่าตัวเองเป็นมุสลิมทั้งทังที่ไม่ได้มีอัครด์ไดเกี่ยวข้องอิสลามเลยแม้แต่น้อยแต่เขาก็ยังรวมในหนึ่งพันห้าอยนะนิดเดียวครับไอที่มีอัครย์ได้เหมือนกับอัครยะไดของอัลกุรอานเหมือนกับอัครย์ได้ของท่นานนบีสุลตานะคนจํานวนนิดเดียวนะครับที่ได้เป็น หัเรบบาะาที่ Allah ที่ท่านนาบีเรียกว่าเป็นคนแปลกหน้านิดเดียวไม่ชอบเหรอเราคิดว่าเราขอดูอาให้เราเป็นคนกลุ่มนั้นคนจำนวนนิดตรงนั้นกระนั้นก็ตามอย่าโอหังแม้ว่าเราจะอยู่ในจำนวนนิดส่วนน้อยก็ตามที่เราได้รับฮิดาตแล้วละหมาทุกวันเข้าใจอิสลามอ่านอัลกุรอานทุกวันเราก็อย่าโอหังเด็ดขาดห้ามเด็ดขาด เรามองคนอื่นที่ไม่ละหมาดเรามองคนอื่นที่ทำผิดเสียให้เขายิ้มให้เขาเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่นิสัยของเราเรา เ, เห็นคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในร่องในรอยของาศาสนาแล้วเราจะไปดูถูกเขาเราจะไป เ, เขาเรียกว่า อ, อ, อะไรนะซ้าเติมเขาไม่ใช่อย่าลืมว่าที่เราได้อยู่ในฮีดายัดเนี่ยมันก็เป็นการเลือกเป็นฮีดายัดจ ح ح ากอัลลอฮฺ س ب ح สิ่งที่เราต้องทําก็คือพยายามให้เขาได้มีจิตสํานึกเหมือนที่เรามีพยายามเรียกพยายามเรียกร้องพยายามดะว่าวพยายามเชิญชวนและขอดุอาถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็อขออุอธรณ์ให้เขาได้รับอิริญาบถเหมือนที่เรานี่ครับนี่คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องทำเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะโอหังเราจะอยู่ในเส้นทางของล้อแล้วแต่เราโอหังเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเราเองก็ยังไม่สมบูรณ์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะโอหังกับใครทั้งสิ้นแม้แต่กลับอยู่ เราต้องสู้กับยูในฐานะที่เขาเป็นปฏิปักษ์กับอัลลอฮฺสุบไบฮานอัลกัตตาร ะ, ตาะแต่ถามว่าถ้ายูมียูคนหนึ่งจะมารับอิสลามไมวะมึงอย่ามารับอิสลามนะเพราะอะไรเพราะมึงเป็นยูอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่เธอถ้ายูต้องการมารับอิสลามเนีย่ยเจอเลยเราต้องได้ว่ายูจะทำให้รับอิสลามเราต้องบอกให้ยูรู้ด้วยนะว่าอัลกุรอานว่าอย่างไรจริงๆแล้วยูมันก็รู้นะว่าอัลกุรอานว่าอย่างไงแต่มันไม่ยอมรับเองแค่นั้นเองแล้วยูมีไหมครับยู you, ที่รับอิสลามมีครับ เยอะแยะอยู่ยที่รับอิสลามมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีทั้งสมัยของท่านนาบีสุลต่ามและสมัยปัจจุบันก็มีอยู่ที่หันมารับอิสลามมีเยอะแยะไปหมดเลยก็ไม่แปลกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของล่องสวรรค์อุชาะละ่ะมันมีอายัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้วันหนึ่งวันใดถ้าเราผ่านอายัดเหล่านั้นเราก็จะอธิบายให้เข้าใจแต่พี่น้องครับขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้อีกครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ ต้องการให้เราคิดและมีจิตสำนึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยมีหน้าที่จากอัลลอสุลานาลาให้มาอยู่บนโลกเพื่อรับคำสั่งของพระองค์จะได้ใช้ในชีวิตของเราจริงๆและเรามีหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างไรบ้างนะครับนะครับอย่าดูถูกคนอื่นเหมือนนะที่ อ, ลอลัลลอฮาห้ามท่านนาบีสอลตาลำไม่ให้ดูถูกคนตาบอดคนที่เราไม่คิดว่าจะมีประโยชน์ต่อสังคม แต่เขาต้องการที่จะเป็นมุสลิมเอาเลยครับเชิญเราต้องต้องบอกอิสลามกับทุกคนไม่ใช่เลือกคนว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีคนนี้เอาคนนี้ไม่เอาไม่ใช่นะครับขอรับคิดว่าเราคงจะได้รับบทเรียนต่างๆมากมายในการที่จะนะครับใช้ชีวิตตามขนตาอัลลอฮ์ตุบะฮตาระละท่านนบีซลลัลลอฮฺอะลัยฮิสแลมวะลลอฮฺอะลัยฮิสแลมอาเลลลัลลอฮฺนบีนะมุฮัมมัดอลอลฮะสมซุบฮานะรบิรบ والسلام عليهم س ل ا م الحمدي ا ل ه رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.